มาเหตุผู้อ่านสำหรับในหนังสือเล่มนี้มีสองประโยคที่ดูขัดแย้งกันและอาจทำให้ผู้มาใหม่สับสนได้คือคำว่าสอบอารมณ์โดยส่วนตัวเข้าใจว่าคำว่าสอบอารมณ์ในครั้งแรกที่ว่าไม่ต้องไปสอบอารมณ์นั้นคือหมายถึงการไปให้ผู้อื่นตรวจสอบจิตอย่างที่บางสํานักทากันอยู่ส่วนสอบอารมณ์ในช่วงหลังนั้น ที่ท่านแนะนำให้ทำคือหมายถึงการตรวจดูจิตตามดูจิตตัวเองหรือสอบอารมณ์ด้วยตัวเองการฟังทำหลายครั้งต้องเข้าใจจุดประสงค์ของผู้สอนที่ตรงด้วยนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเข้าใจคลายเคลื่อนได้บิดคน ล, ละทางโดยเฉพาะการใช้ศัพ์เดียวกันแต่ต่างบริบทกันซึ่งมักจะได้เจอจากครูบาอาจารย์สายปฏิบัติที่ต้องเข้าใจว่า สภาวะรมบางอย่างจะหาคำอธิบายให้ตรงได้ยากมากเหมือนจะให้อธิบายรสเปรี้ยวให้คนที่ไม่เคยกินเข้าใจลองคิดดูนะครับว่าจะอธิบายยากแค่ไหนยังไม่นับกับความชำนาญในภาษาที่ต่างกันการใช้คำลัดสั้นขาดคำขยายในบางครั้งความต่างของวัฒนธรรมท้องถิน่นภูมิภาคหรือแม้แต่ยุคสมัยที่ต่างกันคำเดียวกันก็อาจแปลต่างกันได้เช่นกัน ยกตัว อ, อย่างเช่นคำว่าจิตกับใจตามปกติก็หมายถึงสิ่งเดียวกันแต่ครูบาอาจารย์บางท่านอาจแยกต่างกันเช่นจิตหมายถึงจิตสำนึกใจหมายถึงจิตไร้สำนึกโดยที่ตามปกติสา์วิชาการท่านแยกจิตสองประเภทนี้ด้วยสา์ที่แน่นอนไปเลยว่าวิถีจิตกับพวังคกจิตหรือบางครั้งท่านยกตัว อ, อย่างเปรียบเทียบด้วยภาษาที่ต่างกัน แต่ในความหมายเชงลึกแล้วคือหมายถึงสิ่งเดียวกันและยังมีคำตามบาลีเดิมที่แปลได้หลายอย่างที่อาจทำให้คนมาใหม่สับสนได้ง่ายเช่นคำว่าสังขารที่อยู่ต่างประโยคอาจแปลเป็คนละอย่างบางแห่งหมายถึงความคิดปรุงแต่งบางแห่งหมายถึงขันห้าทั้งหมดบางแห่งหมายถึงร่างกายและศั์บางคานั้นยังมีความหมายหยาบกับความหมายในขั้นปรมัติตย แต่บางคําเมื่อถูกนํามาใช้ในภาษาไทยยังถูกเปลี่ยนความหมายจึงต้องเข้าใจให้ตรงด้วยนะครับว่าท่านหมายถึงความหมายในลักษณะดใดกําลังคุยกับชาวบ้านกําลังคุยในแง่ประสูตรหรือในแง่อภิธรรมดังนั้นผู้ศึกษาต้องพิจารณาให้รอบคอบเพื่อเข้าใจคําสอนของครูบาอาจารย์ให้ตรงที่สุดด้วยนะครับเผยพระพรต่อได้ไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น จะห้ามตัดต่อแก้ไขก่อนได้รับอนุญาตดาวน์โหลดและรวมจัดทาสื่อธรรมชุดต่อไปกับชมรมผลดีดูรายละเอียดได้ที่ j จ j o n e t ขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยย่งขึ้นไปสภท า, านังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง